สวัสดีครับพี่น้องครับที่ดูเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับตอนเหรียญเงินหายพี่น้องครับวรรณะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบห้านะครับพระธรรมลูกาบทที่สิบห้านั้นเป็นพระกัมพีรบทที่มีคนอ่านนะครับมากที่สุดบทหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาหรือในพระกิติกุลพ้องนะครับพระกิตติกุลพ้องพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับ หรือชินล็ติกกอสโปลครับพระกิตติคุณพ้องพอพานไมโทอออ่างงองูครับคำว่าพ้องนะครับก็คือมีพระธรรมปักคิวมารโกลูกาที่มาของคำว่าพระกิตติคุณพ้องนั่นก็คือว่าทั้งสามท่านนะครับที่บันทึกถึงชีวิตเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเรานะครับก็อยู่ในเรียกว่ามุมมองเดียวกันครับ นในทางประวัติศาสตร์ทางพระังพี น, ะนักนักวิชาการนั้นก็ได้สันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วมาระโกนะครับเป็นภกิจคุณฉบับแรกครับที่เขียนออกมานะครับและมัทธิวและท่านนายแพทย์ลูกาก็ได้เขียนตามแนวของมาระโกนะครับโดยที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเพิ่มเติมคําสอนที่สําคัญเพื่อที่จะให้ชีวิตพระเยซู ในมุมมองของผู้เขียนแต่ละคนนะครับสมมูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่ตนตั้งไว้ที่น้องครับในการทรงนำแล้วก็ในการโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่โดนใจให้อัครทูตนะครับมัตชิวนะฮะแล้วก็ท่านมารโกและท่านนายแพทย์ลู ก, กานั้นเขียนโฆษณาพระเจ้านะครับให้กลายเป็นโฆษณาของพระเจ้าให้เราอ่านทุกวันนี้เพื่อที่เราจะรู้จักพระเยซูในหลายๆมุมมอง นะครับแต่ในมุมมองที่ใกล้เคียงกันนะครับมุมมองเดียวกันหรือซินอปติกนะครับหรือซินล็ปติกกอสเปอนั้นก็จะมีความสอดคล้องกันนะครับล้อเรียนกันไปนะครับเป็นอย่างดีนะครับในบทที่15้าของพระธรรมลูกาเนี่ยเป็นบทที่ผมได้เรียนให้แล้วนะครับว่าก็คือเป็นบทที่มีความสัมพันธ์นะครับก็คือประกอบไปด้วยสิ่งของที่หายไปนะครับหรือของที่หายไปหรือสิ่งที่หายไปนั้นสามสิ่งด้วยกัน นะครับสิ่งแรกที่หายไปนะครับในบทที่หนึ่งจนถึงบทในในบทข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เจ็ดนะครับเรื่องแกะหายนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในข้อที่แปดจนถึงข้อที่สุดครับเงินเหรียญหายนะครับแล้วก็สิ่งที่สามที่หายไปครับตั้งแต่ในข้อที่สิบเอ็ดเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายครับก็พูดถึงเรื่องบุตรน้อยที่หลงหาย นะครับมีของสามอย่างหายไปนะครับหรือมีสามสิ่งหายไปในบทที่สิบห้านี้ซึ่งเราทั้งหลายได้ฟังเทศนะครับเวลวีฟังคำสอนกันมานานครับแกะหายเงินหายแล้วก็บุดน้อยหลงหายนะครับนะครับในวันนี้เราจะมาดูครับในตั้งแต่ข้อที่แปดนข้อที่สิดครับโปรดฟังโจรณะของพระเจ้าข บ, บมาเรื่องเงินเหรียญหายยิ้คนใดที่มีเหรียญเงิน สิเปรียนและเหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จีดตะเกียงกวาดเรือนค้นหาให้ละเอียดจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วจึงเชิญเหล่ามิจฉาทิยและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงเปลียนปรีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินที่หายไปแล้วนั้นเช่นนั้นแหละเราบอกทนั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจ้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ พี่นังกับพระเยซูทรงเล่าขบุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหายไปแล้วนะครับเงินตอนนี้นะครับเงินเหรียญหายไปและในวันพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบุญน้อยหลงหายไปนะครับตาลำดับเรื่องได้แสดงถึงท่าทีของพระเยซูครับต่อคนหรือต่อประชาชนที่หลงหายจากพระเจ้าพระเยซูทรงใช้ตัวอย่างที่คุ้นเคยนะครับกับผู้ฟังผู้ฟังฟังตุ๊บเข้าใจปุ๊บทันทีครับในเรื่องนี้ โรงตัดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากต่อผู้หญิงคนยิวครับในสมัยนั้นก็คือผู้หญิงคนยิวนั้นจะมีเครื่องประดับศีรษะนะครับที่เป็นเหรียญเงินร้อยกันเป็นลูกโซ่ครับแต่เหรียญเงินนี้นะครับสามีเป็นผู้มอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีแต่งงานครับมันเป็นเรื่องของสินสอดทองมั่นนะครับแะเวลาแต่งงานนี้เป็นธรรมเนียมที่ผู้หญิงจะได้รับนะครับหรือเจ้าสาวจะได้รับเครื่องประดับศีสันที่ เป็นเหรียญเงินร้อยแทนเป็นลูกโซ่นะครับเหรียญเงินนี้นครับจะถูกสวมไว้ที่หน้าผากครับในเหมือนกับผู้หญิงสมัยใหม่นี้สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางมือซ้ายใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับผู้หญิงในสมัยโบราณจะต้องสวมนะครับสวมาสายร้อยนะครับที่ร้อยด้วยเหรียญเงินนะครับไว้ที่หน้าผากเหมือนกันนะครับ การที่เหรียญเงินอันหนึ่งในเครื่องขอดับสีส า, าที่หายไปก็เหมือนกับการที่ว่าโซ่นะครับโซ่ที่คล้องนะครับชีวิตของเขาโซ่ที่คล้องชีวิตแต่งงานเขานั้นมันถูกทําลายนะครับเป็นเรื่องที่เรื่องราวใหญ่โตมากครับผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านจะรู้ว่าคนที่หรือผู้หญิงที่มีเหรียญหายไปเงินเหรียญหายไปนี่จะเข้าโศกสักแค่ไหน ถ้าเอหาไม่เจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะครับหรือหญิงทุกๆคนที่เงินเรียเงินหายไปนั้นก็คือเขาีะต้องหาจนพบกับอย่างครับในข้อที่แปดนะครับกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้จุดตะเกียงของเธอและกวาดเรือนค้นหาเหรียญที่หายไปอย่ครับในบ้านของคนตะวันออกนะครับในปริสตายที่ยากจนเขาสร้างบ้านด้วยอิฐที่ทำมาจากโคลน นะครับเอาโครนมาปั้นเป็นอิฐนะครับแล้วเผาให้แข็งนะครับแล้วก็ในห้องนั้นก็มีแค่ห้องเดียวครับไม่มีหน้าต่างเพราะฉะนั้นเวลาที่จะหาของในบ้านจะต้องจุดตะเกียงครับหรือแม้แต่ในเวลากลางวันก็ตามถ้ามีมุมมืดในบ้านนะครับก็ต้องจุดตะเกียงหาครับนะฮะแล้วถ้าในมุมมืดนั้นต้องตรวจสอบตรวจตาอย่างละเอียดครับถ้าบ้านนั้นมีหน้าต่างบานเดียวบางบ้านนะครับอาจจะใหญ่หน่อยเพื่อให้แสงอาทิตย์เข้ามาได้ก็จะเป็น หน้าต่างที่มีลักษณะที่ว่ามีความกว้างแค่สิบแปดนิ้วท่านเองครับถามว่าทําไมหน้าต่างแคบจัแค่สิบแปดนิ้วก็คือว่าเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ความหนาวเย็นเนี่ยรอดเข้ามานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงเวลากลางคืนครับในการเดียวกันครับมันก็จะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นนะครับในเวลาในช่วงฤดูหนาวนะครับพี่น้องครับ มันยากครับที่จะหาเหรียญให้พบนะแล้ ว, ว่าแสงสว่างนี้จะมาจากหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างนั้นก็กว้างแค่สิบแปดนิ้วเท่านี้เองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะหวังได้จากแสงัะเกียงครับจะสะท้อนเงาของเหรียญเงินนี้แล้วในที่สุดผู้หญิงเหล่านั้นที่เหรียญหายไปจะหาพบได้ทีนงคับปัญหาอย่างหนึ่งในการค้นหาเหรียญก็คือลักษณะของพื้นบ้านที่เป็นอยู่ครับ ปกติแล้วพวกเขาจะใช้พื้นที่เป็นดินโคลนทุกให้แข็งเป็นพื้นบ้านนะครับน้าจะคุมด้วยหญ้าแห้งนะเพราะนั้นพวกผู้หญิงเหล่านั้นเธออาจจะต้องกวาดหญ้านเหล่านี้ออกไปเพื่อค้นหาเหรียญเงินที่หายไปนั้นในข้อที่9ครับเป็นข้อแห่งความชื่นชมอินดีครับผู้หญิงคนนั้นได้พบเหรียญแล้วก็เรียกเพื่อนทั้งหมดของเธอมาเลยและรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยครับเพื่อมาร่วมชื่นชมยินดีกับเธอ ผู้หญิงที่เหรียญหายไปแล้วหาไม่เจอนะครับจะได้รับความหรือว่ามีความรู้สึกที่หดหูครับแต่เมื่อเขาหาเหรียญเจอเขาจะมีความรู้สึกชื่นชมินดีพระเยซูก็เปรียบเทียบสรุปคำอุปมาเรื่องเงินเหรียญหายนี้เขาได้สิกว่าเช่นนั้นแหละเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจา้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ พี่อนครับคำอุปมาตอนนี้สอนเราเรื่องเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีเมื่อคนกลับใจใหม่นะครับทูตของพระเจ้าบนสวรรค์นะครับหรือบรรดาผู้รับใช้พระเจ้านะครับบนสวรรค์นะฮะทูตเหล่านี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับมีความปรีดีเปรมปรีเป็นอย่างยิ่งครับเพี่อนครับในช่วงวันคริสมานะครับที่ผ่านมาท้องหลายมีความเปรมปรีไหมครับตอนที่ทูตสวรรค์นะครับเราอ่านพระคัมภีร์ถึงเรื่องตอนทูตสวรรค์นั้น ได้บอกกับพวกผู้เลี้ยงแกะนะครับนะเป็นคําอวยพรเป็นคําที่ว่าชาวโลกทั้งหลายนะครับชื่นใจยินดีหรือความเปรมปรีมาถึงชาวโลก joy to the world นะครับอันนี้คือ joy to the ชาวสวรรค์นะครับก็คือว่าความเปรมปรีกลับไปถึงคนสวรรค์นะครับคนที่อยู่บนสวรรค์หรือทูตสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองนะครับความเปรมปรีจะ joy to the angels นะครับ joy to the ทูตสวรรค์ได้ไงครับ ก็คือคนบาปกลับใจใหม่ครับพี่น้องในช่วงเทศกาลเชตสมคพนี้นะครับมีหลายนคนกลับใจใหม่นะครับหลายนคนสนใจเรื่องของพระเจ้าหลายนคนต้อนรับพระเยซูนะครับนี่คือเรากําลังสร้างความสุขนะครับให้กับชาวสวรรค์ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะติดตามผลผู้ที่รับเชื่อพระเจ้าในการที่ดูแลกหิมยานภูมิภาคเขาเหล่านั้นสอน เ, าเ้าเรื่องเราเกี่ยวกับชีวิตที่เปียน สอนเขาเรื่องเราเกี่ยวกับพระชนะของพระเจ้าให้เขามีหลักที่ปักแน่นอยู่ในพระชนะชีวิตของเขานั้นจะดำรงอยู่ความเชื่อความศรัทธาตลอดไปนะครับนี่คือภา ร, รกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราที่เราจะทําให้พระเจ้าวปวดรานครับที่เราจะทําให้พระเจ้ายิ้มนะครับและทําให้เกิดความชื่นชมดีต่ทชาวสวรรค์นะครับเขาให้ความชื่นชมดีกับเรามากนะครับในช่วงคือสมรภูมนี้แต่ขณะเดียวกันครับเราได้มอบความยินดี ความชื่นจะมินดีหรือ joy to the angel ได้ยังไงครับก็คือการที่เราทั้งหลายจะต้องนำคนมาหาพระเยซูนำคนมารับเชื่อพระเจ้านำคนเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ครับนั่นแหละครับถึงจะเป็น joy to the angel นะครับแล้วก็ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยพระเจ้าโปรดปรานและพระเจ้ายิ้มอาเมน